สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซู ต, ตอนที่สี่ร้อยห้าสิบหกเรื่องผลของพระวิญญาณและของประธานฝ่ายพระวิญญาณตอนที่เก้าพี่น้องที่รักครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูและตอบคำถามว่าของประธานนั้นจริงๆมีอยู่กี่อย่างกันแน่ของประธานนั้นมีอะไรบ้าง ที่ผ่านมาดูเหมือนว่าคริสเตียนบางกลุ่มบางคนนั้นจํากัดเล่นเน้นอยู่เพียงของประทานสองสามอย่างครับอย่างแรกก็คือของประทานเรื่องของการพูดภาษาแปลกๆอย่างที่สองก็คือของประทานเรื่องของการพยากรณอย่างที่สามก็คือของประทานเรื่องของการรักษาโรคแต่จากทั้งปีนะครับเราเห็นได้ชัดแล้วครับว่ามีของประทานมากมายกว่าและน่าตื่นเต้น ครับไม่แพ้ของประธานทั้งสามนี่ครับมีหลายหลาคนพยายามที่จะจัดให้ของประธานนั้นอยู่ในเก้าอย่างเพื่อเปรียบเทียบกับผลของพระเวียนยณบริสุทธิ์เก้าอย่างเก้าประการแต่จริงๆแล้วเราไม่ควรเล่นกับตัวเลขแบบนี้แท้จริงแล้วเรากลับมาดูในพระวจนะของพระเจ้าในหนึ่งคูเรียนบทที่สิบสองเราก็จะรู้ว่าในหนึ่งคูิรียบทที่สิบสองนั้นมีพูดถึงเรื่องของของประทานเขาเรียกว่าเก้าคูณสอง เก้าคูณสองก็คือของประธานในช่วงแรกเก้าอย่างครับในช่วงต้นของบทที่สิบสองและเก้าที่สองก็คือในช่วงท้ายของบทเดียวกันก็จะมีของประธานอีกเก้าอย่างแต่ว่าทั้งสองนะครับรวมกันครับไม่ใช่เป็นสิบแปดอย่างเพราะว่าอะไรครับเก้าบวกเก้าน่าจะเป็นสิบแปดใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ครับเพราะมีห้าอย่างที่ซ้อนกันครับนะครับ มีห้าอย่างที่ส้อนกันมีห้าในเก้านะครับที่แตกต่างกันจากของประทานเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในหนึ่งโคดินวที่สิบสองก็ดูเหมือนว่ามีการกล่าวถึงของประทานทั้งหมดสิบสามอย่างครับเพราะว่าสิบแปดลบห้านะครับก็เหลือสิบสามส่วนในรลปวัที่สิบสองครับมีรายการของประทานเจ็ดอย่างมีห้าอย่าง ที่เป็นของใหม่เพราะฉะนั้นสิบสามอย่างในบทที่สิบสองของหนึ่งโครินบวกกับห้าอย่างในรวมบทที่สิบสองทำให้เรารู้ว่าสิบแปดใช่ไหมครับรวมกันและถ้าเราไปดูในฉบับย่อก็คือเอเฟซัสก็จะพบว่ามีห้าอย่างในห้าอย่างนี้มีสองอย่างเป็นของใหม่ครับ ก็เป็นยี่สิบครับแต่ถ้าเราไปดูต่ออีกในหนึ่งเปโตบทที่สี่ก็กล่าวไว้มีสองอย่างซึ่งในสองอย่างนั้นไม่ได้กล่าวไว้อย่างเฉพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นรวมไปรวมมานะครับจํานวนของของวระทานในพระตมผีนั้นมีเรียกว่าพูดอย่างไม่ให้ผิดนะครับก็คือไม่ต่ํากว่ายี่สิบอย่างนะครับและ สิ่งที่สําคัญก็คือว่าในขณะที่พูดถึงของประธานทั้งยี่สิบอย่างนี้พี่น้องครับผมถามว่าของประธานเหล่าเนี้ยมันเพิ่มเติมไม่ได้อีกแล้วหรือคําตอบก็คือถ้าพูดถึงในเพิ่มทีมีเท่านี้แหะครับแต่มีอย่างอื่นที่เป็นของประธานได้ไหมคําตอบคือได้ครับอย่างเช่นของประธานของคนบางคน สามารถแต่งกวีหรือบทกลอนของเฮอรเสียนได้อย่างจับใจบางคนนั้นก็เด่นในเรื่องของการพูดการโน้มน้าวใจบางคนก็เด่นในเรื่องของวรรณกรรมบางคนก็มีของประธานเรื่องของดนตรีบางคนก็มีของประธานเรื่องของการความสามารถพูดให้เข้าใจได้ง่ายบางคนก็มีความสามารถในด้านต่างๆไม่ไว่าจะเป็น ของประธานเกี่ยวกับเรื่องของไอทีของประการของการฟื้นฟูบางคนก็มีของประธานสําหรับการประกาศตามบ้านบางคนก็มีของประธานเรื่องของการประกาศแบบซต์สัมพันธ์บางคนก็สามารถที่จะติดต่อราชการติดต่ออย่างเป็นทางการบางคนก็ประกาศด้วยวิธีการต่างๆมากมายหลายแบบครับเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้ผมอยากจะเสนอว่า ของประทานฝ่ายผู้วิญญาณบริสุทธินั้นเนื่องจากพระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าแห่งความหลากหลายล้นเหลือนะครับพรงทรงมีความหลากหลายล้นเหลือเหมือนกับโทรทัศน์ในสมัยนี้ครับโอดิเตอร์โทรทัศน์ในสมัยนี้นั้นมีความหลากหลายในเฉดสีนะครับเป็นล้านสีเหมือนกับความละเอียด ในสมัยนี้ครับหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบคูณหนึ่งพันแปดสิบนี่คือความหลากหลายความละเอียดของพระเจ้าซึ่งเราไม่มีวันที่จะเข้าใจได้พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงสร้างสรรพสิ่งหลากหลายงดงามในมนุษย์เองก็มีความหลากหลายในเรื่องของเชื้อชาติ DNA นิสัยใจคอเรามีความประณีตละเอียดอ่อนสารพัดมีพรมพีตอนหนึ่งครับ ได้กล่าวถึงพสิิปัญญาของพระงนั้นซับซ้อนพสิทธิปัญญาของพระองค์นั้นซับซ้อนความอย่างรู้ของพระองค์สติปัญญาของพรองค์ซับซ้อนครับพี่น้องคําว่าซับซ้อนนั้นปภาษากรีกนั้นมีความหมายว่าหลากสีหลากพันเห็นไหมครับพี่น้องหลากสีหลากพันครับก็มีแปลว่าหลากหลายมากเลยครับและคําคําเดียวกันนี้ครับยังกล่าวถึงพระคุณ ของพระเจ้าในการประทานของประทานฝ่ายพระวิญญาณครับของประทานฝ่ายพระวิญญาณที่กับเราในฐานะเราทั้งหลายเป็นผู้รับมอบฉันทาที่ดีในหนึ่งเปตัวบทที่สี่ข้อสิบได้พูดถึงคำว่าหลากสีหลากหลายในภาษากรีครับคือถ้าคุณนานาประการคำนี้ใช้กับ หินอ่อนที่มีลวดลายหลายหลักคำนี้ใช้กับภาพปักและพรมของชาวตะวันออกที่มีสีที่ละเอียดอ่อนมากพี่น้องครับพระคุณของพระเจ้าของประธานของพระเจ้าหรือคำว่าแคริสหรือแคริสมาเหมือนกับพรมที่งดงามประการตาและเป็นของประชานฝ่ายจิตวิญ ญ, ญาณ น, นานักประการก็คือเหมือนกับด้ายหลากสีที่ค่อยๆถักทอ สารสอดเป็นความงามของพรมทั้งผืนที่ในที่สุดแล้วเคริ่อจักรของพระเจ้านั้นจะมีสง่าราศีและมีความงดงามเพราะเหตุที่ว่าหลายหลายคนหรือ ท, ทุกคนนั้นใช้ของประทานของพุธยันบริสุทธิ์ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงของประทานฝ่ายพุธยันบริสุธิ์เราพูดถึงสองแง่ด้วยกันครับคือของประทานหลักที่อยู่ในพระเจนะของพระเจ้าอย่างน้อยยี่สิบอย่างนี้ และของประทานหลากหลายหลากสีหลากพันที่พระเจ้าใช้ในแต่ละยุคแต่ละสมัยจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เพราะว่าหน้าที่การงานนั้นมีต่างๆกันงานรับใช้มีต่างๆกันของพระธานมีต่างๆกันแต่มีพุ่ยานองเดียวกันครับขอพระเจ้าช่วยแล้วนะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้ในสองแง่ และแง่หนึ่งในเรื่องของการประยุกต์ความหมายของของประธานเพื่อเราจะเข้าใจและเราจะไม่ดูถูกดูแคลนหรือยกของประทานบางอย่างอยู่เนื้อของประทานบางอย่างของให้เจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รัทุกท่านอาเมน